สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเนทกรคุณชอบเล่าคลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องราวที่คุณชัยวัตรก้อนทองได้กรุณาแบ่งปันมานะครับไม่รู้ว่าออกเสียงน้ำสกุลถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษครับหากออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องราวที่คุณชัยวัตรได้กรุณาแบ่งปันมาให้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าของคุณตัดหญ้าของคุณกอนสุกรที่คุณชัยวัตรไปขออนุญาตนํามาแบ่งปันให้ครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับ เมื่อพร้อมกันแล้วเราไปฟังเรื่องราวของคุณตัดหญ้าดีกว่าครับแล้วเรื่องราวก็มีอยู่ว่าหลายสิบปีก่อนสมัยที่ถนนแถบนี้ยังเป็นลุกรังย่านการค้าโด่งดังก็เป็นเพียงป่าละเมาะที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเขียวครึม้มการจะเข้าไปติดต่อธุระในตัวเมืองจำเป็นจะต้องเดินเท้าผ่านหน้าสถานที่แห่งนี้ซึ่งเดิมทีเป็นโรงต้มเหล้าเก่าแก่เรื่องเล่ามากมายจากพื้นที่ฐานแห่งนี้ยังคงมีอยู่บ้างเป็นครั้งคราวจากปากต่อปากรุ่นสู่รุ่น บางก็ว่าเป็นขำแต่งบางก็ว่าเป็นเรื่องจริงที่น้อยนักจะมีผู้กล้าพิสูจน์เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงโรงต้มเหล้าขนาดกลางมีบ่อหมักบ่อพักและบ่อน้ําทิ้งตั้งวางอยู่เรียงรายบริเวณโดยรอบโรงงานมีบ้านพักคนงานทําด้วยไม้ตั้งอยู่3ามสี่หลังแต่ละหลังก็ปลูกไม้ห่างกันมากนักภายในสถานที่นี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมหลายต้นซึ่งถ้าหากมองเข้ามาจากภายนอกก็ไม่ต่างอะไรกับป่าดีๆนี่เอง ยิ่งถึงเวลามืดค่ำด้วยแล้วไม่ต้องถามหาความบันเทิงใดๆนอกจากการร่ําสุราในหมู่คนงานด้วยกันด้วยความที่เป็นที่เปลี่ยวหลางผู้คนทําให้เป็นที่หมออย่างยิ่งในการมู่สุมเสตยาของวัยรุ่นสมัยนั้นยาเสพติดที่นิยมกันช่วงนั้นก็เห็นจะนีไมิพ้นการสูบฟ่นต้นไม้ที่ใหญ่ขนาด5้าคนโอบซึ่งมีผู้พรยือดออกมาปิดบงังสายตาจากผู้คนย่ําเป็นสถานที่ผียาชั้นดีของนักเลงบ้อง พวกเขาจะจับกลุ่มกันรอบตะเกียงน้ำมันจุดไมายไฟต่อเพื่อเป็นเชื้อในการสูบฝิ่นบรรยากาศอังเงียบสงบซึ่งบางทีก็เหมือนจะวังเวงเป็นที่ถูกอกถูกใจขี้ยาเหล่านี้น้อยครั้งนักที่เหล่าทางการจะเข้ามาปัดกวาดเช็ดถูวันแล้ววันเล่าจากแหล่งมั่วสุมก็ดูจะไม่ผลเป็นแหล่งอชัชญากรรมสะเทือนขวัญอีกมากมายทั้งปล้นทั้งฆ่าและการกระทาอื่นๆที่ผิดศีลธรรม ซึ่งสมัยก่อนนั้นหากมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทางก็จะไม่มีใครกล้าผ่านในเวลาพลบค่ำไปจนถึงเช้าตรู่แน่นอนแต่นั่นเป็นเพียงส่วนประกอบของสถานที่อันมีเรื่องราวลึกลับมากมายคนเก่าคนแก่เคยเล่าว่าเดิมทีที่แห่งนี้เคยเป็นป่าขนาดใหญ่มีถังน้ําสูงเลี้ยวซึ่งสร้างติดไว้กับต้นไซยักษ์แต่ทางการได้เข้ามาแผ้วถางไปใช้ประโยชน์สถานที่นี้จะเจริญขึ้นกว่าเก่าอย่างไรก็ตามป่าก็ยังคงเป็นป่า มีฝูงลิงข้างมากมายปินป่าเก็บกินลูกใสที่สุกเกลื่อนเต็มต้นเหล่านกบินว่อนไปมาไม่ต่างอะไรกับป่าลึกและเมื่อสิงสารสัตว์มีอยู่มากมายก็ย่อมไม่ไหวที่จะต้องมีนักล่าลวงชอบคนตัดหญ้าเลี้ยงวัวเล่าว่าสถานที่นี้มีเรื่องแปลกๆเยอะมากแต่ที่ยังจําฝังใจไม่เคยลืมกือเห็นจะเป็นทวดทวดในที่นี้ท้องถิ่นภาษาใต้หมาถึงสัตว์ที่แก่มีขนาดใหญ่กว่าสัตว์โดยปกติ อาจจะมีอำนาจบารมีบางประการเป็นที่น่ายกย่องนับถือลวงชอบบอกให้นึกภาพตามเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งลวงชอบซึ่งเป็นคนงานอยู่ที่นี่กำลังผ่าฟืนเพื่อทำเชื้อไฟต้มน้ำหลวงสังเกตเห็นหางของอะไรบางอย่างกำลังตัดผ่านสายตาแกเข้าไปหลังต้นไซยักษ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแกก็กำขวานขนาดใบเท่าจานข้าวเดินตามเข้าไปแกสังเกตเห็นรอยแหวกของหญ้าและใบไม้ห่างออกไปเป็นทาง แน่นอนมันไม่ธรรมดาเสรีจแล้วแกก็เริ่มระวังตัวและกําชับด้ามขวานให้สนิทกับมือเพียงไม่นานสิ่งที่พบตรงหน้าทําให้แกถึงกับเฉี่ยวราดปาดเหงื่อกระสีน้ําตาลเหลือบดําขนาดเท่าต้นขาใช้จักรของมันเคลื่อนไหวอย่างเช่มชา้าขินกระสา ท, ที่ร้อยผ่านล้มมาทําให้ลูกชอบขาสัน่นแทบจะขมสติไม่อยู่แกพยายามตั้งมั่นในพระพุทธคุณคิดในใจว่าหากรอดไปได้จะทําบุญทําทานให้ชุดใหญ่ว่าแล้ว ก็ก็ค่อยๆถอยหลังออกมาจากสิ่งที่พบตรงหน้าแต่จนแล้วจนรอดกิ่งไม้เจ้ากรรมก็เดินไปอยู่ใต้ตีนแกพอดิบพอดีสียงกิ่งไม้โดนเหยียบหักดังแปลกและเพียงไม่ถึงช่วงล่มหายใจเจ้งูยักษ์ก็ตวัดหัวกลับมาแผลจะหวักเท่าฝ่ามือที่กางออกมันขรรนในลําคอสิ่งมันหมาแม่ลูกอ่อนพังผานที่ใหญ่กว่างูใดๆอวดสูดสงให้รู้ว่าเป็นงูจงอางขนาดยักษ์สายตามันจับจ้องด้วยความค้นแค็ง มันตั้งตัวยืนด้วยหน้าท้องความสูงไม่ต่ำกว่าต้นมะละกอเต็มไว้มันขู่ตลอดเวลาที่ยืนประจันหน้ากันสิ่งนี้ชวนให้แกน้ําตาไหลหพรากแต่สิ่งที่แก้ตัดสินใจเรียกงูตัวนี้ว่าทวษคงไม่ใช่อื่นใดนอกจากดวงตาที่ดูเหมือนจะเป็นของคนมากกว่าเป็นของงูและงอนสีแดงเหลือบรุ้งที่ขึ้นอยู่กลางศีรษะของมันซึ่งแน่นอนว่าสัตว์จาพวกนี้หากไม่ได้มีอายุมากหรือมีขนาดใหญ่โตมโหฬารแบบนี้ ก็คงยากนักที่จะพบเจอหงอนกลางหัวยิ่งเด่นชัดซึ่งตามความเชื่อของคนไทยภาคใต้ก็มักจะเรียกงูเหล่านี้ว่าทษนั่นเองอาการตกใจสุดขีดทําให้ลุงชอบไม่กล้าขยับไปไหนซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันค่อนข้างจะเป็นการดีที่จะไม่สร้างความสนใจให้กับสัตว์นักล่าแกคิดในใจว่าคุณจะไม่รอดไปจากดงต้นไทรนี้แน่แล้วขาก็กล้าไม่ออกแกเลยหลับตายยืนสงบจิตสงบใจขณะที่หัวใจยอมรับความตายอยู่นั้น ก็มีลมพัดแผ่วๆมาต้องใบหน้าพอให้รู้สึกเย็นมีสิงแหบบางของใครบางคนกระซิบข้างหูสั้นๆเฮ่เสียงของชายชราส่งเสียงอย่างเยือกเย็นจนเขาขนลุกไปถึงหลังคอหลงชอบในวัยหนุ่มขาอ่อนหมดเร็วแรงนั่งซุดลงกับผืนโดยทันทีเขาก็ค่อยลืมตาขึ้นมาเพื่อมองไปยังงูยกักษ์ตัวนั้นแต่ทามที่ปรากฏกลับมีเพียงต้นไทยักษ์และแทงน้ําสูงตระหง่านเบื้องหน้าเขาเท่านั้น ข่าวการพบเจองูยักษ์นี้ถูกแพร่สะพัดออกไปจากชุมชนโรงเหล้าจนไปสู่สังคมภายนอกปากต่อปากจนมีผู้คนมากมายแวะเวียนมาขอเลขเด็ดสร้างความวุ่นวายให้กับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่น้อยแต่แล้วก็มีเรื่องราวที่ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นโรงต้มเหล้าร้างในที่สุดหากพูดถึงโรงต้มเหล้าร้างแห่งนี้คงไม่มีใครสมัยนั้นไม่รู้จักเหตุการณ์มันเริ่มมาจากความคืบขนองของคนการไม่เคารพธรรมชาติและความประมาทในการใช้ชีวิตล้วน หากจะให้โทษสิ่งศักดิ์สิทธิหรือสิ่งลีลับเพียงอย่างเดียวก็ดูจะไม่ถูกเท่าใดนักจุดจบมันมีอยู่ว่าการพบปะสังสรรค์ของเหล่าคนงานชายมีมานานนับหลายสิบ ป, ปีการพักผ่อนกายยาโดยการร่ำสุรานั้นดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันหลังเลิกงานไปเสร็จแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าการได้ดื่มสุราที่ผลิตขึ้นมาเองซึ่งไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎระเบียบแด่ยอย่างใดเพราะว่าเป็นสุราสีสุขใสที่หลงเหลือจากการบรรจุ ข, ขวดซึ่งยังคงค้างอยู่ในลําท่อเพียงน้อยนิด แต่มัก็มากพอที่จะกรอกเต็มกระติกใบกลางๆได้อย่างสบายหากจะปล่อยทิ้งลงพื้นไปก็ดูจะเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักเราคนงานจึงมีเหล้าให้ดื่มกินกันฟรีๆแทบทุกวันการดื่มสุราหากให้เหมาะให้เข้ากันก็ต้องแกล้มด้วยอาหารป่าอาหารป่าจำพวกลิงข้างบากชนิดดหมือนจะเป็นกับแกล้มที่จําเจไปเสร็จแล้วสําหรับคนงานพวกนี้เพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหนบนยอดไม้ก็เต็มไปด้วยฝูงพวกมันที่ปีนป่ายไปมา หรืหากว่าวันไหนไม่มีอะไรแกล้มแล้วจริง ๆ, ๆก็ยังมีพวกนกคู่หรือไก่ป่าพอได้เป็นอาหารนดยามขัดสนจึงไม่แปลกเลยที่สายคุณนึงชื่อเพิ่มเป็นเพืออกความเห็นว่าเราควรจะหาอย่างอื่นมาทํากับแกล้มบ้างกูว่านะเราหาอะไรแปลแกๆ ม, มาแกล้มบ้างดีกว่าในเพิ่มออกความเห็นมึงเนี่คิดอะไรพิเรนอีกแล้วที่มีกิทุกวันนี้มันไม่พอหรือวะในดําว่าเฮ้ยมึงไม่เบื่อบ้างหรือวะแกล้มตะลิงค์ค่ในเพิ่มสวนกลับทันควัน ทั้งกลุ่มถกเถียงกันในวงสุราตา้งหาที่มาของวัตถุดิบจนทุกคนหันมามองหน้าลุงชอบกูรู้แล้วไอ้เพิ่ม <c oughs> กูว่าผัดเผ็ดงูของไอ้ชอบไงมึงคิดเหมืนกูไม่วะ <c oughs> ในดำเสนอความเห็นแต่ไม่สังเกตสีหน้าของในชอบซึ่งตอนนี้เหงื่อเม็โดโตเริ่มไหลออกมาจากหน้าผากและไรผมแล้วแม่ไอ้บ้าดำมึนงนี่เป็นหัวคิดดีจริงๆกูก <c oughs> <ๆ>็คิดเหมือนมึงเลยว่าไอ้กเล้เอ๋ยในเพิ่มหัวเราะชอบใจตกปากเห็นด้วยกับคำพูดของในดำ งานนี้กูไม่ขอยุ่งนะเพื่อนกูเตือนพวกมึงไว้ก่อนนะหลวงชอบออกปากทัดทานเพื่อนแต่แต่มื่อเจอไอ้ถอดบ้องหลาวันนั้นมึงขี่กณฑ์หัวไปเลยหรือวะไอออนเ <laughs> สียงจะใครบางคนปลุกวงสุราหให้คึกคักขึ้นอีกครั้งลวงชอบไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างไดได้แต่นั่งกระดกสุราไว้สเปริตอยู่เงียบเงียบคนเดียวแกรู้ว่าอะไรที่ไม่ธรรมดากำลังรอพูดต่อต้านหรือลองดีอยู่ ลมพัดเย็นพันกลุ่มแมกไม้ชุนให้เคลิ้มตามบัดนี้สุราที่พากันกระดกหมดไปแล้วกว่าครึ่งกระติกนกทอดเกลือและผัดเผ็ดข้างกำลังจะหมดจานหนึ่งในคนงานก็เกิดพล้งพูดออกมาไหนวะใครที่ไม่น่าต๊ะมีอีกวะในดำกลาก่าวเดี๋ยวกูตบหั ว, วทิมเลยไอ้นี่เน่ในเพิ่มสวนกลับฮฮ่ก <c oughs> ูแย่เล่นหนะ้าไปวะไอ้เพิ่มไปจับงูมาผัดพริกผัดเผ็ดกันเถอะว่าแข่คี้ต้นน้ำลายสอแล้ว ในดำออกปากแท็กชนในเพิ่มเพื่อออกไปล่าเหยื่อยามพลบค่ําลุงชอบได้แต่นั่งมองดูเพื่อนๆ อ, ออกไปล่างูโดยเขาและเพื่อนอีกคนนั่งดูดเหล้าเฝ้ารอให้เหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีเจ้ที่มันเสียขวัญไปกว่าครึ่งยังไม่อยากให้อะไรก็ตามเกิดขึ้นในเวลานี้แต่ด้วยความกล้าบ้าบิ่นของสองคนนั้นทําให้ขอสุดที่จะทัดทานได้ในเพิ่มและในดำถือพระโคนระดมมืออีกข้างถือคบไฟที่ทําจากไม้สางง่ายๆเดินดุ่มๆหัวเราอคิกคลักลับหายไปจากสายตา ผ่านไปราวชั่วโมงเสียงเหฮาของคู่หูขาเมาก็กลับมาพร้อมกับงูจงอางตัวใหญ่แต่ที่ลุงชอบตกใจไปกว่านั้นคือมันไม่ใช่งูตัวที่ลุงพบเจอใต้ต้นไทรักมันกลับเป็นงูที่ตัวโตวแต่มีขนาดย่อมกว่าทวดงูอยู่พอสมควรที่สำคัญไปกว่านั้นบนหัวของมันมีงอนสีฟ้าอมเขียวงอกขึ้นมาประมาณหนึ่งองคุลีพอให้ได้สังเกตเห็นลุงชอบปหวาตกแคร่ไม้ไผ่ลงไปนั่งกองกับพื้นเป็นที่ถูกอกถูกใจของเพื่อนๆไปอย่างมาก แกนั่งร้องไห้ด้วยความสงสารและตกใจกลัวทำกลางสิ่งหวเราะชอบใจของคุณงานมึงเด่กอ่อนสมเชอจริงๆมีอย่างที่ไหนเห็นงูแล้วถึงกับร้องไห้ปัญญาอ่อนในเพิ่มหัวเราะเยาะอย่าเส้เวลากับไปชอบเลยมึงไปแห้เมียมึงผัดเผ็ดใส่ใบกันชาเถอะวะน้ำลายจะล้นปากกูแล้วในดำเสริมคําเป็นการตอบย้ําความกล้าของชายทั้งสองผ่านไปไม่กี่ใจผัดเผ็ดงูหอมกรุนหรืยด้วยเม็ดพริกไทยอ่อนส่งควันสีขาวลอยคว้างอยู่เหนือจาน ไอ้ดำชิงจานจากมือไอ้เพิ่มเอามาสูตรดมข้าเต็มเฮือกแม้มันฉื่นใจสิจริงๆไหนกูลองชิมซิพับพาเซในดำทั้งชมทั้งสบัดเสียงดังลั่นสร้างความเฮฮาให้วงสุรายกเว้นในชอบซึ่งตอนนี้นางนาเจือนไม่มีอารมณ์ในการร่ำสุราอีกแล้วเราขี้เมาตักผัดเผ็ดงูใส่ปากคำแล้วคาเล่าสูญเสเฮฮากันอย่างมีความสุข บางครั้งก็หยอกล้อให้ในชอบลองกินผัดเผ็ดงูดูสักคำแน่ว่าหากลองชิมแล้วจะติดใจในชอบได้แต่นั่งสายหน้าเทเล่าใส่จอกกระดกดื่มอยู่เงียบๆคนเดียวแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมาที่ในดำเลี้ยงไว้มันกําลังสนุกสนานไปกับการคบกัดอะไรบางอย่างมันสะบัดไปมาอย่างเพลิดเลแต่เมื่อมันคาบสิ่งที่อยู่ในปากมาใกล้ๆวงเล่ากลับพบว่ามันเป็นหัวงูเศตษาของงูจกอางนั้นทุกคนย่อมรู้ถึงความอาฆาตพยาบาทขนาดไหน มนได้แต่จ้องมองหน้าของลุงชอบอย่างไม่ละสายตาจอกเหล้าในมือแกเริ่มสั่นเทาแการีบกระดกเหล้าที่รินไว้เต็มจอกทีเดียวหมดหายไปในลำคอจากนั้นก็รีบลุกขึ้นปัดกเกงเดินจ้ำอา้าวเข้าบ้านปิดประตูโดยทันทีทิ้งไว้เพลงเสียงโหเร้อของเพื่อนร่วมวงเหล้าและคำหยอกล้อเสียเสียให้หายตามหลังแกเท่านั้นสิ่งเอะอะว่ยวายปลุกให้ลุงชอบตื่นขึ้นมาในกลางดึกคืนนั้นสิ่งเมียกรร้องเรียกด้วยความตกใจกลัวแกพยายามตั้งสติและดันตัวลุกขึ้นจากที่นอน อันดิสุราสองทัพไม่ได้จางหาไปจากร่างแกแม้แต่น้อยมันทำหน้าที่ของมันอย่างดีส่งผลให้แกงโนเง็นอยู่พักใหญ่กว่าจะเรียบเรียงเรื่องราวได้ปรากฏว่ามีเสียงเอะอะโวยวายจากนอกบ้านมีการเคาะประตูปึงปังเพื่อให้ออกไปช่วยตอนแรกก็นึกว่าเป็นการหยอกล้อเล่นกันของเหล่าคนงานแต่เมื่อนานเข้าก็คิดว่าคงเกิดเรื่องขึ้นเป็นแน่ลุงชอบสวมเสื้อแล้วหยิบตะเกียงออกไปดูภาพที่เห็นทําให้ลุงชอบถึงกับสั่งเมากลุ่มใช้3าคนนอนสลบทไม่ได้สติอยู่กลางลานกว้าง เหล่าเมียและคนงานกลุ่มอื่นเข้ามาช่วยไปถมพยาบาลครับอาเจียนและคราบเลือดและเถกกระครังอยู่ทั่วแค่ไหม้ไผ่กลิ่นที่เหม็นเน่าปนกับกลิ่นคาวเลือดชวนให้คลื่นเหียนพอสมควรลวงชอบวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบขวดน้ำมนันออกมาจากหิ้งพระวิ่งตรงเข้าไปแก้ไขเพื่อนร่วมงานไอ้ดำหยุดหายใจไปตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครทราบไอ้เพิ่มพอที่จะขยับร่างกายได้แต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นลืมตาขึ้น ส่วนชายอีคนเหล่าคนงานก็ไปช่วยกันบีบนวดเพอที่จะมีสติพอได้สอบถามความเป็นมาของเรื่องเราคนที่ฝืนตัวก่อนเล่าว่าขณะที่นั่งล้อมวงรําสุราแกล้มได้ผัดเผ็ดงูอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีลมพัดแรงคล้ายลมหัวด้วนหอบฝุ่นตลบอบอวนจนแทบลืมตาไม่ขึ้นครู่เดียวก็มีกลิ่นสาบรุนแรงคล้ายใครเอาหมาเน่ามาทิ้งใกล้ๆเขาจึงตัดสินใจเอาเสื้อมาปิดปากปิดจมูกแต่ไอสองคนนั้นไม่สนใจอะไรได้แต่ปิดสารแกล้มและแก้วเหล้าอยู่แค่นั้น แต่แล้วภาพที่ไม่คิดว่าจะเป็นภาพจริงก็ปรากฏอยู่ร้างๆในกลุ่มพันที่ลอยเคว้งไม่ทราบทิศทางนั้นมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ในความมืดมันเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆท่าทางมันไปทางส้ายทีขวาทีคล้ายอาการไหลมากกว่าเดินไอ้ดำปากไว้จึงร้องทักด้วยอาการเมาเฮ้ยไอ้ชอบมึงโกหกผูกูเหรอไในว่าเข้าบ้านไปแล้ววะในดำตะโกนเออว่าไอ้นี่แอบไปไหนมาละมึงนิ้กูเศานิดเซลหน่อยทําเป็นเครือง ในเพิ่มเสริมคำไม่มีคำตอบจากชายบางเงาผู้นั้นกลับเป็นเสียงที่ว่างมาตามลมที่พัดสงบลงเล็กน้อยเสิ่งที่แห บ, บแห้งคล้ายเสียงคนชรากรนู่อยู่ในลำคอชวนให้รู้สึกขนลุกเกรียวพร้อมตามมาด้วยกลิ่นเน่าของซากศพรุนแรงพัดมาต้องจมูกอีกครั้งแลานักเลงข า, มาเมาต่างผงาถอยเพียงไม่นานร่างชายลึกลับก็คลื่นเข้ามาอย่างช้าช้า สิ่งที่พบตรงหน้าทําให้คนงานเหล่านั้นสํารอ c อาหารออกมาแทบหมดไส้หมดพงุงภาพชายชะราหัวเถอดผมบางไว้คราวเขายาวถึงอกสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวคลิปท้องกถดขาดดูซ่มซ่อเดินเข้ามาหากลุ่มคนงานหน้าตาที่ผมยาวแต่มีสายตาที่ดุ ด, ดันทําให้พวกนั้นพูดอะไรไม่ออกแต่สิ่งที่ชวนให้พวกเขาขนลุกจนสุดตัวก็เพราะว่าท่นล่างของชายผู้นี้ไม่ได้มีขาเหมือนคนธรรมดาแต่อย่างใด มันกลับเป็นขนดหางสีน้ําตาลไหม้ของงูขนาดเท่าต้นกล้วยทันนี้ก็ว่าได้ <S <S หนึ่งในชายกลุ่มนั้นร้องตะโกนออกไม้ยิ่งสุดเสียงเพียงไม่นานกลินอนแสนทุเรทุรังก็ลอยมาตามลมอีกครั้งทุกคนในกลุ่มสุรารู้สึกวิงเวียนสุดที่จะบรรยายอาจจมมาเจียนพุ่ยผุ่งออกมายังไม่สามารถบังคับได้ก่อนที่พวกเขาจะเป็นลมสลบไปมีคําพูดบางอย่างออกมาจากชายลึกลับผู้นั้นโล ก, โก้สิงแหบแห้งเผาจาง แต่มันสะท้อนลึกไปในความรู้สึกของทุกคนไม่นานภาพต่างๆก็ตัดไปผ่านมาถึงรุ่งเช้าอาการของคนงานที่เล่าเรื่องก็ทื่เหลาลงบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามในดำผู้จัดการฆ่า ง, งูก็เสียชีวิตลงอย่างไม่ทราบสาเหตุทางแพทย์ให้คําวินิจฉัยไว้ว่าอาหารเป็นพิษและระบบหัวใจล้มเหลวทั้งที่ในดำนั้นเป็นชายร่างสูงใหญ่ที่แหลดู ว, ว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่มก็ว่าได้ส่วนในเพิ่มมือนชั่แหละหลังจากรักษาพยาบาลจนฟื้นเป็นปกติ กลับพบว่าเป็นคนวิกลจริตไปเสียแล้วจะเดินไปทางไหนก็จะระแวงกลัวสิ่งที่มีลักษณะเป็นท่อยาววันดีคืนดีแกาก็จะนั่งร้องนั่งพูดคนเดียวให้เห็นกันบ่บอยๆเมื่ออาการหนักเข้าก็มีบ้างที่หยิบมีดพร้าไล่ฟันหัวคนงานด้วยกันจนต้องมีเรื่องชกต่อยกันอยู่เนืองๆสุดท้ายก็ไม่ผลเข้ารับการรักษาตัวในโะรงพยาบาลจิตประสาทแห่งหนึ่งในภาคใต้แต่เรื่องหน้าคนลุกมันยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อเดเพิ่มเข้ารับการรักษาทางประสาทแล้วเหตุ <_ d ata> การณ์ก็เหมือนจะเป็นปกติแต่แล้วผ่านไปเพียง7วันธัญยาท้องแก่ของเดเพิ่มเพื่อปรุงเมนูสุดอาฆาตนี้ <_ d ata> ก็กระทำการอัตวิบา ก, กรรมโดยการผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงป่าอายุนับร้อยปีซึ่งไม่ไกลจากที่ทิ้งหัวและซากหงูตนนั้นนักการผูกคอตายด้วยผ้าปูที่นอนดูจะไม่แปลกอะไรหากแต่จะผิดธรรมชาติก็โดยที่ต้นมะม่วงป่านั้นมันมีลำต้นตรงเปล่าขนาด6กถึง7คนโอก ส่วนกิ่งก้านสาขาของมันสูงเกินกว่าที่ใครจะปีนป่ายได้โดยไม่ใช้บันไดคนท้องแก่ขนาดนี้จะปีนขึ้นไปผูกคอตายบนนั้นได้อย่างไรข้อนี้ยังคงเป็นคําถามในใจจากวันนั้นถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์ปรแปลกๆก็มีบ้างประปรายแต่ก็ไม่วายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่ยากจะพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ยังคงผูกพันกับความเชื่อของคนไทยมาเนิ่นนานและยากที่จะแยกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องที่แต่งขึ้นมา แต่อย่างร้อยคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเสียงหวยที่มักแวะเวียนมาขอเลขเด็ดจากสถานที่ดังกล่าวอยู่แทบทุกงวดกิจาการโรงต้มเหล้าค่อยๆเสื่อมสมลงนื่อจะมีโรงงานของเอกชนย้ายฐานการผลิตมาทีตลาดเหล่าคนงานที่เคยมีค่อยๆทยอยย้ายออกไปลงหลักปักฐานในที่ดินตนเองหลังจากเก็บหอมรอมริบเป็นเวลาหลายสิบปซึ่งที่อยู่กับพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลไปจากสถานที่แห่งนี้มากนัก หากจะถามเรื่องราวในวันนั้นโดยละเอียดคงไม่ยากที่จะได้คําตอบจากคนเท่าคนแก่ละแวกนั้นปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ของรัฐมีภูมิทัศน์ร่มรื่นน่าอยู่อาศัยเสียสร้สางความร่มครึ้มของหมู่แมกไม้ยังคงมีอยู่บ้างเราโนกกามักจะแวะเวียนมาพักผ่อนในยามเย็นลวงชอบลาออกหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ไม่ถึงปีแกบอกว่าไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้การเลี้ยงบัวชนเป็นอาชีพเที่ยวหาตัดหญ้าหลังแทงน้าเก่าเป็นประจำสถานที่ดังกล่าวถูกเป็ดเป็นความลับมาโดยตลอดหากไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วน้ยคนนักจะทราบถึงข้อเท็จจริงนี้แทงน้ําได้ถูกปล่อยทิ้งร้างให้รากของต้นไส ย, ยึดเกาจะจนเหลือแต่เสาขนาดใหญ่ต้นไส่ปกคลุมสิ่งปลูกสร้างจนแทบจะไม่เหลือริ้วรอยแห่งความยิ่งใหญ่ในอดีตแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นตามความเชื่อของคนละแวกนั้นคือสารเพียงตา ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของคําบอกเล่าคนเก่าแก่ได้เป็นอย่างดีลวงชอบแว็เวียน ม, มาตัดหญ้าในเย็นวันสิ้นเดือนคําถามที่ออกจากหนึ่งในหมู่เราก็ถามว่าลวงเคยประสบพบเจอสิ่งปแปลกๆจําพวกนี้อีกหรือไม่ลวงหันมายิ้มและตอบด้วยความภาคภูมิใจวันพระที่แล้วก็เพิ่งเจอนะงูบงหลาตัวใหญ่ที่มีขนสีฟ้าเขียวนะ่ะคําตอบนี้ทําให้เราเอื้องไปพักใหญ่ครับผมแล้วก็จบลงแล้วครับเรื่องเล่าของคนตัดหญ้า โดยคุณก้อนสุกรอนที่คุณชายวัดก้อนทองได้กรุณาขออนุญาตนํามาแบ่งปันครับหากการถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ดูรั่วๆพี่กอลหมายถึงตัวผมเองนะก็กําลังพยายามฝึกสติให้อยู่กับร่องกับร้อยครับขอทุกท่านมีความสุขทากการรับฟังนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญานในการดํารงชีวิต เป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ